วั น, นเป็นวันแรกที่อาลมามีโอกาสพูดในวันพระครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยพอธรรมดาอาลามาไม่เคยมีโอกาสได้พูดในวันพระอนานาเขาจะนําเรื่องเรื่องเล่าต่างๆที่เขียนลงในเฟซบุ๊กเอามาเล่าญาติโยมฟังแล้วก็มีคติสอดแทรกเล็กน้อยๆจนกว่าจะถึงเวลาเมื่อวันพระรหัสก่อนอาลมาก็พูดหรือพูดถึงเรื่อง คุณคือนักโทษประหารซื้อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพวกญาติโยมที่นั่งอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยต้องตายแน่นอนไม่มีใครรอดหลวงพ่อพระด้วยถูกพิพากษาประหารชีวิตไปแล้วคือเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับโทษตายติดตัวมาเมื่อเราจะเป็นคนรวยคนจนยศศัก์แค่ไหนไม่มีใครหนีพ้นต้องตายแน่เพราะฉะนั้นเราไปชีวิตอยู่เนี่ย เราก็ต้องไม่หลงกับชีวิตตัวเองไม่หลงในโลกธรรมคือเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันได้โลกธรรมแปดประการเนี่ยมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริอมมีนินทานเนี่ยทุกคนต้องเจอแน่นอนไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นจะเจอในรูปแบบไหนเท่านั้นมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีชายชราอยู่คนหนึ่ง ซึ่งคนผู้นี้มีความสำเร็จในชีวิตสามารถมีภรรยาได้ถึงสี่คนซึ่งตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะตายแล้วพอรู้ตัวว่าใกล้จะตายก็เรียกภรรยามาเพราะอยากชวนมาอยู่ด้วยก็เลยเรียกภรรยาคนที่สี่ที่งสาวสวยที่สุดเข้ามาหาแล้วก็โอบกอดเธอบอกยอดรัก พี่รู้ตัวว่าพี่จะตายภายในวันสองวันนี้ชีวิตหลังความตายคงหงอยเหงามากพี่คงว้าเวเดียวดายเพราะขเพราะปัจจากเธอน้องจะไปอยู่ร่วมกับพี่ไหมซึ่งชัยชลากระชวนภรยาคนที่สีไม่ไปหรอกคะ่ะซึ่งตอบด้วยเสียงเด็ดขาดน้องต้องอยู่ต่อไปและน้องจะกล่าวสเสริญพี่ในงานศพให้ดีที่สุดคือน้องทาหน้าที่ได้ ดีเท่านี้เองว่าแล้วเธอก็เดินก้าวช้าๆออกไปชายชลาปวดร้าวมากเพราะไม่นึกว่าเธอจะตัดเยื่อใยแบบนี้เพราะทั้งชีวิตเนี่ยเขาทุ่มเทพเพื่อเธอมากเราไปไหนก้าเธอไปด้วยเธอทําให้เขามั่นใจในความชะลาแล้วก็รู้สึกมีเกียรติมีความภาคภูมิใจเวลาไปทุกที่แล้วเขาก็รู้ว่าเธอไม่ได้รักไม่ได้รักเขาเหมือนที่เขารักเธอจึงกล้าทิ้งเขาไป แต่ไม่เป็นไรเรายังมีภรรยาเหลืออีกสามคนว่าแล้วจึงเรียกภรรยาคนที่สามเข้ามาหาที่รักพี่รู้ตัวว่าอีกวันสอวันนี้พี่ก็จะตายชีวิตความตายคงหงอยเหงาและว้าเหวมากน้องจะไปอยู่ร่วมกับพี่ไหมเปปากชวนภรรยาคนที่สามก็ตอบว่าไม่ไปค่ะน้องไม่อยู่วันทำเรื่องแบบนี้เด็ดขาด คือภรรยาคนนี้ทำให้เขารุ่มหลงมากคือเธอเป็นคนที่มีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงและตอบด้วยมานนักธุรกิจว่าน้องจะช่วยจัดงานศพที่ให้หรูที่สุดหลังจากนั้นน้องจะใช้ชีวิตร่วมกับลูกชายของพี่ต่อไปชายชลาฟังแล้วปวดใจมากไล่เธอออกจากห้องไปภรรยาคนที่สามเนี่ยเขาทุ่มเทมากกว่าจะได้เธอมา เธอมีสเสน่ห์ไปที่หมายปรของชายหลายคนเธอทำให้เขามีชีวิตที่สุขสนานและเขาภากภูมิใจใตัวเธอและเธอก็ซื่อสัตว์ต่อเขาเสมอมาแต่ก็ไม่คิดว่าเธอจะนอกใจอยามให่เขาจะตายเขายังปวดร้าวมากแต่ไม่เป็นไรเรายังมีภรรยาเหลือสองคนว่าแล้วก็เรียกภรรยาคนที่สองเข้ามาภรรยาคนที่สองเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์แต่ก็อยู่กับเขามานานเขาจะเอ่ยปาก เมียรักชีวิตความตายคงหงอยเหงามากพี่คงว้าเวและเดียวได้เพราะปาร์ตจากเธอเมียรักจะไปอยู่ร่วมกับพี่ไหมภรรยาคนที่สองก็ตอบว่าน้องคงไปอยู่ร่วมกับพี่ไม่ได้หรอกแต่จะไปส่งพี่แค่หลุมศพเท่านั้นน้องคงทำอะไรมากกว่า น, นี้ไม่ได้จริงๆชายชะลาก็ช่วยไม่สำเร็จซึ่งภรรยาคนที่สองเนี่ยเป็นคนที่เขาไว้วางใจมากที่สุด มีปัญหาต่างเธอก็ช่วยแก้ไขให้มาตลอดแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลือภรรยายคนหนึ่งภรรยาคนแรกว่าแล้วก็เรียกภรรยาคนแรกเข้ามาที่รักชีวิตความตายของห่อยเหงาและว้าเวมากถ้าพี่ปัดไดจากเธอเธอจะไปอยู่ร่วมกับพี่ไหมภรรยาคนแรกซึ่งสู้ผอมและถูกถูกเขาทอดทิ้งมานานแต่ภรรยาคนนี้ก็ อยู่เบื้องหลังเขามาตลอดช่วยเหลือสิ่งช่วยเหลือกิจการต่างๆของเขาแต่เขาก็ไม่สนใจยัยดีเธอทิ้งเธอไปมีภรรยาอีกสามคนเธอตอบด้วยเสียงสงบว่าน้องยินดีที่จะไปอยู่ร่วมกับพี่ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าภรรยาทั้งสี่ของชายชราผู้นี้ก็คือภรรยาคนที่สี่ก็คือชื่อเสียงภรรยาคนที่สาม ก็คือรั์สมบัติภรรยาคนที่สองก็คือครอบครัวภรรยาคนแรกก็คือกรรมซึ่งกรรมากติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติอย่างญาติพี่น้องเนี่ยไปส่งเรามากอย่างมากก็แค่หลุมฝังศพเท่านั้นหรือเมนไปไกายว่านี้ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองพอเราตายก็ตกไปของลูกหลานหรือคนอื่นต่อไปเอาไปไม่ได้เหมือนกันชื่อเสียงเวลาเราตาย ส่วนมากก็มีโกศมาประกาศคุณวางความดีของเราหน้าเชิญนากรบางครั้งเราอาจจะไม่ดีจริงก็ได้แต่เพื่อให้เกียรติผู้ตายจึงต้องพูดแต่เรื่องความดีความชั่วเราจะไม่พูดอันนี้เป็นทั่วไปเงินทองส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลานส่งถึงหลุมศพ บ, บุญบาปส่งถึงชาติหน้าภาวนาส่งถึงนิพพานยศและลาภหาไปไม่ได้แน่ เสือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็าไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉันไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามานิทานเรื่องนี้ก็สอนใจเราว่าทุกสิ่งอย่างในโลกเนี้เราอย่าไปยึดเลย พอใจในสิ่งที่มีอยู่ตามมีจับได้และชีวิตเราก็จะมีความสุขเรื่องที่สองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัธมาจำมาจาก facebook ค, คือมีคนนำมาโพสต์แล้วก็มีเพื่อนในเพจเนี่ยสนใจอ่านกันมากเพราะเป็นเป็นเรื่องที่ดีและสกิดใจแล้วก็ให้กาลังใจอย่างดีเลยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ประเทศไต้หวัน เธอเป็นโรคพิการทางสมองไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่เธอมีความมุ่งมั่นและศรัทธาจนสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาและเธอก็มีโอกาสไปไปบรรยายในที่ต่างๆการบรรยายของเธอเนี่ยจะพูดไม่ได้ใช้วิธีเขียนหนังสือเอามีอยู่ครั้งหนึ่งอีกคนเชิญเธอไป บรรยายในสถานที่แห่งหนึ่งระหว่างบรรยายก็มีนักเรียนคนหนึ่งถามว่าท่านมีชีวิตอย่างนี้มาตั้งแต่กำเนิดท่านไม่รู้สกน้อยใจหรือท่านมองดูตัวเองอย่างไรซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งทำให้สร้างความตื่นกับผู้ร่วมบรรยายในห้องประชุมนั้นว่ากลัวเธอจะน้อยใจหรือเสียใจ คือจี้หยุดอ่อกของเธอเพราะเธอเป็นคนพิการเธอก็หันหน้าไปที่กระดาษแล้วใช้ปากกาเขียนฉันมองดูตัวเองอย่างไรแล้วก็หันไปยิ้มให้กับผู้ฟังในห้องประชุมแล้วก็เริ่มเขียนข้อที่หนึ่งฉันเป็นคนน่ารักข้อที่สอง ขาฉันสวยเรียวยาวดีข้อที่สามพ่อแม่รักฉันจังข้อที่สี่พระเจ้าประทานความรักแก่ฉันข้อที่ห้าฉันวาดภาพได้และฉันก็แต่งหนังสือได้ข้อที่หกฉันมีแมวน่ารักและบรรยากาศในห้องประชุมตอนนี้เงียบกริบเธอก็บอกว่า ฉันมองในสิ่งที่ที่ตัวเองมีไม่มองในสิ่งที่ที่ตัวเองขาดหลังจากเธอพูดจบก็มีเสียงตบมือก็ฮึมในที่ประชุมบางคนตื่นตานจนน้ำตาไหลเพราะว่าไม่คิดว่าเธอจะตอบคำถามแบบนี้ได้เธอคนนี้มีชื่อว่านางสาวหวางเหมยเหยรียญศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาลัย UCLA มหาลัยชื่อก้องของอเมริกาแล้วก็มีผลงานว่าเขียนหลายเรื่องแล้วเธอก็ไปบรรยายที่ไต้หวันหลายครั้งการบรรยายของเธอส่วนมากจะเน้นให้กำลังใจแก่ผู้ชมผู้ฟังเพราะเธอเป็นคนพิการแต่เธอสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้หรือจำ น, อนออวนแากความพิการนั้นบางครั้งคนที่มีร่างกายอายุวะครบสามสบอยังต้องละอายเลย เพการเรียนของเธอเนี่ยความยากลำบากมากแกวจบปริญญาเอกได้ต้องฟันฝ่าแล้วอยู่ในสังคมกับคนที่ปกติบางทีก็ถูกแซวมั่งถูกอะไรมั่งแต่เธอก็มองมองตัวเองอย่างมีความสุขนะไม่ได้มองทางลบเราเห็นมีคนพิการหลายคนประสบความสําเร็จคนเราเนี่ยถ้ามีกาลังใจและมองโลกในแง่ดีเราก็สามารถเดินทางต่อไปได้และประสบความสําเร็จได้อย่างผู้หญิงคนนี้ ซื้อ ไ, ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตแต่ถ้าเราเนี่ยมีกลังใจที่อ่อนแอบางครั้งก็อาจจะล้มเหลวได้อย่างมีนิทายเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้ก็อาตมาเคยเขียนในเฟ e b o ๊ k ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรแต่มาคนอ่านคนมากดไลค์ต้องพันหว่วไลค์ซึ่งคนอ่านแล้วสะดุดใจมีวัดอยู่วัดหนึ่ง ซึ่วัด น, นี้มีพระเซนอยู่คนหนึ่งท่านเป็นคนมีเมตตามากแล้วมักมีขอทานมาขออาหารบ่อยๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีขอทานคนหนึ่งเดินเข้ามาเลยวัดขอทานคนนี้มีแขนแขนเดียวมาถึงก็หาพระเซนพระเซนก็พาไปที่หน้า ที่ศาลาหน้าแล้วก็ชี้มือไปที่กองก้อนอิฐอยู่กองหนึ่งแล้วก็บอกให้ให้ช่วยขนย้ายไปศาลาหลังขอทานนย่นานั้นก็รู้สึกโกรธและไม่พอใจอย่างมากรู้สึกว่าเรามาขออาหารถ้าไม่ให้ถ้าบอกดีๆก็ได้ทำไมต้องใช้งานด้วยถือถูกหยามพระเศนยรก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ใช้ใช้มือแขนเดียวยกอิฐขนวิทยาก้อนให้ดู ซึ่งขอทาเห็นแขนเดียวเห็นว่าตัวเองก็ทําได้เหมือนกันก็เลยยอมขนขนจนหมดกองอะ่ะใช้เวลาสักพักหนึ่งพอขนเสร็จพระเซนก็ให้เงินซึ่งขอทานดีใจใหญ่ขอทานก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกพระเซนบอกท่านไม่ต้องขอบคุณเราหรอกเพราะนี่คือค่าแรงของท่านซึ่งขอทานเนี่ยคนนี้มีความภาคภูมิใจตัวเองว่าชีวิตเรามีคุณค่า ถึงเราจะมีแขนเดียวเราก็สามารถทำงานได้ทำงานระดับได้รับค่าจ้างได้พอตอนหลังชายคนนี้ก็เลิกไปขอทานไปประกอบสัมมาชีพที่ตรงที่สิ่งที่ตัวเองทำได้เพราะตัวมีแขนเดียวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากนั้นไม่นานก็มีขอทานอีกคนหนึ่งเข้ามามาขออาหารพระเซนก็พาไปที่สาราหลังแล้วก็บอกให้ขอทานเนี่ยขนก็อิดไปศาาหน้า ขอทานคนนี้ไม่ยอมขนถือว่าเอไม่ให้อาหารก็ไม่เป็นไรไม่ง้อไปขอที่อื่นก็ได้แล้วก็เดินออกไปเลยตอนหลังขอทานคนนี้ก็จะเป็นขอทานต่อไปชีวิตไม่มีความจะริญรุ่งเรืองส่วนขอทานแขนเดียวพอทอสร้างตัวได้ก็เข้ามากราบพระเซนแล้วก็สรรเสริญคุณงามความดีของท่านที่ท่านให้โอกาสให้ขาคือท่านสอนแบบไม่ได้พูดนะคือว่า ทำให้ดูไงแล้วให้ให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่าการไปขอทานไม่มีคุณค่าเพราะคนเราทุกคนมีคุณค่าหมดแหละแต่เราจะมองจุดนี้หรือไม่บางทีเราก็ไม่เห็นคุณค่างตัวเราเองเพราะเราดันไปเปรียบเทียบคนอื่นไปมองให้คุณค่าคนอื่นอันนี้คนส่วนมากม้าคิดเช่นนั้นคือเราไปมองสิ่งที่ตัวเองขาดไม่มองสีตัวเองมีแล้วเราก็ต้องทุกขรือรคิดคิดเปรียบเทียบ เพราะคนเราเนี่ยจะมีบุญบารามีวัสนาไม่เหมือนกันบางคนก็ฐานะรวยบางคนฐานะจนบางคนก็มีบ้านหลังตัวโตวบ้านขนาดกลางบ้านขนาดเล็กบางคนก็มีรถหรูบางคนก็มีรถธรรมดาบางคนก็มีรถแบบมอเตอร์ไซค์ยานยนฐานะคนเราจะไม่เท่ากันชื่อเสียงกติยศก็เหมือนกันแต่ทุกคนมีมความสุขความสุขที่สามารถมีมีมากกว่ามากกว่ากันได้อยู่ที่เราเนี่ยวางใจเป็น แล้วมองโลกแบบไหนบาที่เศรษฐีก็ทุกข์นะถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยจิตต้องดิ้นรนตลอดต้องอยากตลอดคนจนก็มีความสุขได้ความสุขจากการปล่อยวางและพอใจถึงตัวเองมีทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีใครมีเวลามากกว่ากันและความสุขก็ยุติธรรมเสมอทุกคนมีความสุขเหมือนกันหมดเม่ว่าจเปนพระเป็นโยมแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นมองโลกโลกในแง่ลบ เราก็ต้องทุกข์ความทุกข์เกิดจากการขัดแย้งต่อโลกธรรมคือไม่ยอมรับโลกตามภาเป็นจริงคือยามที่เราหนาวเราก็ไม่พอใจเราอยากให้อากาศอบอุ่นยามที่ฝนตกเราก็ไม่อยากให้ฝนมันตกยามที่อากาศร้อนเราก็อยากให้มันเย็นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเราต้องยอมรับมันเราแก้ไขไม่ได้หรอกบางครั้ง หลาจะถูกคนเข้าใจผิดมันดินทาด่าเราก็มีบางทีคนด่าเราด่าเราเดี๋ยวนั้นแล้วก็ไปแล้วแต่เราเนี่ยเอามาปรุงแต่งต่ออาจจะอีกหลายเดือนหลายปีก็ได้กว่าจะเลิกเพราะจิตคนเราเนี่ยมักจาในเรื่องที่ไม่ดีแต่เรื่องที่ดีมันไม่จำหรอกอย่างพ่อแม่เนี่ยดีต่อเราเนี่ยเป็นพันครั้งหมื่นครั้งเราก็ลืมแต่วันไหนท่านดุด่าเราเนี่ย หรือว่าเราขัดใจเราสักครั้งสองครั้งเราไม่ลืมเลยเราจําจําจําตลอดคนลักก็เหมือนกันคนลักดีต่อกันเนี่ยตลอดแต่ว่าไหนพูดขัดหูหรือทำร้ายจิตใจเราแค่ครั้งสองครั้งเราจําไม่ลืมเลยแต่ความดีเขาทําเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหายไปหมดพราะนิสัยคนเราโดยธรรมชาติแล้วจะมองในแง่ลบคิดทางลบเพราะฉะนั้นเราจริงต้องมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติ สร้างความรู้สึกตัวเพื่อจิตใจเนี่ยซึมซับความดีไว้เสมอเสม อ, อยามที่เราจะตายเนี่ยเราจะได้คิดถึงความดีได้มะงัน้นยุ่งเลยตอนตายไปคิดถึงเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีบางทีเราทำบุญไว้เยอะแยะเราจำไม่ได้หรอกแต่ใครบดดาเราเนี่ยตอนตายจะโผล่ขึ้นมาสวยเลยตอนนั้นนั่นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ทำความดีบ่อยๆจนเป็นนิสยัยกันเหนียวไว้ก่อน จะหาความจริงใจจากใครที่ไหนเล่าถ้าหากเราไม่ให้ความจริงใจก่อนมมวอดโอยหอยหาอย่างอาวรคงต้องนอนเฉาเหี่ยวอย่างเดียวได้จงรู้จักเกื้อกูเกื้อกูลผู้อื่นบ้างอเมนทางสร้างสุขทุกสลายเขาหมดทุกสุขใสทั้งใจกายเขาก็หมายสนองเรายามเศร้าเอ่ย อันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาที่จริงมันพูดได้เรื่อยๆนะแต่ว่าเวลามันหมดก็เลยจบแค่นี้ก่อน